เดี๋ยวเราเข้าสู่เคสซัตตี้เลยดีกว่าจ้ะซึ่งเป็นเรื่องราค ว, วามนจริงในชีวิตบางคนบอกรวยไปทำไมรวยมีปัญหาอีกแล้ว <c oughs> จะให้รวยก็มีปัญหากันมาอีกลองจนดูสิจ้ะ <c oughs> แล้วจะเห็นคุณค่าของความรวย <c oughs> รวยดีกว่าจนเมื่อมีปัญหาเลย <c oughs> ปัญหาชนไม่นจะปัญญาชนนี่เป็นอย่างอย่างนี้นะจ้ะ รวยเถิดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่รวยแล้วเอามาทําอะไรต้องรวยอย่างมีคุณค่ารวยอย่างสูงส่งมีทรัพย์กับเพื่อที่จะสร้างความดีและสนับสนุนให้คนทําความดีอย่างนี้สมควรที่จะรวยนะจ๊ะเรียกว่ารวยอย่างมีคุณค่าและสูงส่งเพื่อเราจะทําทความดีและเพื่อสนับสนุนใหน้คนอื่นก็ทําความดีนะในทุกวิถีทางตามความสอนพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้ า, อ ย, าอย่างนี้อย่างนี้ไงเลยจ๊ะ อย่างนี้รวยไปเธอแต่ถ้ายังไม่ได้คิดสองอย่างนี้จะเพิ่งเลยไปคิดให้ออกซะก่อนรวยไปทําไมแต่ไปคิดให้ออกซะสําคัญนะเจ้าสำคัญเพระาะนั้นนักเรียนใหม่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะเพิ่งตกใจนะเจ้าเจอถ้อยคําแปลกๆจะลืมว่านี่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็ย่อยทุกอย่างมาเพราะว่าโอ้วันทํางานนี่ เราเหนื่อยเราเพลีพยเราเครียดมาจากงานเยอะแล้วมาเปิดทีวีดูจารแล้วจะเครียดต่อเลย <c oughs> ให้มันคลายดีกว่านะจ๊ะ <c oughs> แค่ฟังเรื่องนี้ก็นึกเอาแล้วกันว่าถ้าเป็นเราจะเป็นยังไง <c oughs> โดนรัดคอตั้งแต่อยู่ในท้อง <c oughs> อืหนักก็อยู่นอกท้องตายไหม <c oughs> ไม่ไโลกมาวัดครั้งแรกมาปีองห้าสี่ศูน โดยการชักชวนของเพื่อนที่ได้มาแจ้งข่าวการสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวเห็นไหมจ๊ะว่าโลกจำเป็นต้องมีกัลายาณมิตรพอรู้ดีทราบในสองและความสำคัญของมหาธรรมกายเจดียลูกก็ตัดสินใจสร้างพระภายนอกและพระแกนกลางทันทีรวมทั้งหมดซฟสองอ ง, งค์เห็นไหมจ๊ะโลกจาเป็นต้องมีกัลายาณมิตร แต่หลังจากทำบุญไปแล้วลูกก็ไม่ค่อยได้มาวัดอีกจกนกระทั่งเพื่อนมาชวนตัวลูกบวชอุบาสิกาแก้วลูกจึงได้พาลูกสาวทั้งสองคนมาบวชหลังจากนั้นลูกจึงได้เริ่มทำหน้าที่พุนนำบุญชวนคนสร้างพระธรรมกายยมตัวภายในระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์ลูกสามารถชวนคนทำบุญองค์พระได้เกือบ หนึ่งร้อยองถูกต้องจ้ า, จาเห็นไหมถ้าเราไปชวนผู้มีบุญเนี่ยเราไปทาหน้าที่กัลมิดชวนผู้มีบุญเข้ามาสร้างบารมีรมเขาจะชวนกันตดต่อไปเท่ากับปิดอบายเปิดสวรรค์ให้กับผู้ที่สั่งสมบุญในวันที่6กันยายน2541ลูกก็ได้มาเริ่มงานดีวัด วันนั้นมีพิธีอธิษฐานจิตที่ลานมหาธรรมกาเจดีลูกจำได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามว่าใครได้มาซื้อที่ดินบ้างใครได้มากั่นแผ่นดินบ้างใครได้มาตอกเสาเข็มบ้างส่วนมากอาจจะยกมือกันหมดส่วนตัวลูกได้ยกมือแค่สองครั้งคือครั้งที่หลวงพ่อถามว่าใครได้สร้างองค์พระบ้าง ใครได้สร้างองพระแกนกลางบ้างทําให้ลูกรู้สึกเสียดายที่พลาดบุญมาลหลายๆบุญไปเสียดายจังเลยนี่ไหมจ๊ะผ่านแล้วผ่านเลยจ๊ะและในวันนั้นลูกก็ได้เห็นอศัศจรรย์ตะวันแก้วทําให้ลูกรู้สึกเพล่มพิจิจรน้ําตาไหลรู้สึกศรัทธาวัดและจากนั้นลูกจึงได้มาวัดอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตและก็ทุ่มเททําหน้าที่เป็นผู้นําบุญ เป็นผู้นำรถเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขยายจานดาวธรรมทำบุญทุกบุญที่คุณครูมิจัยมอบให้ไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวเจ้าค่ะลูกกลับขวัญไม่ตางคุณครูมิจัยช่วยฝันในฝันในเรื่องราวชีวิตของลูกด้วยค่ะพ่อบ้านของลูกคือใครสามีสามี เมื่อเกิดไม่ได้เจ็ดวันแม่ของเขาก็เสียชีวิตและเนื่องจากไม่มีเงินซื้อนมน้าช้างพ่อบ้านจึงต้องอุ้มเขาไปขอดูดนมของชาวบ้านที่มีลูกเล็กๆเหมือนกันโอ้อะไรจะขนาดนั้นไม่มีเงินเห็นไหมจ๊ะจำเป็นต้องรวยไหมจเป็นนี่ลองเป็นอย่างนี้มึงสิ พอโตขึ้นทํางบ้านก็ส่งให้บวชเรียนเป็นสามเณรตาภายหลังกลาศิกขาออกมาศึกษาต่อจนจบและได้เข้ารับราชการครูครั้งหนึ่งขณะอายุสารสิบปีหลังจากโรงเรียนเลิกพอบ้านลูกกำลังพาเด็กนักเรียนข้ามถนนขณะนั้นมีรถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็วชนพ่อบ้านของลูกอย่างแรง จนกระเด็นไปไกลถึง4เมตรและสลบไปในทันทีพ่อบ้านนอนสลบอยู่ในห้องไอซียนานถึง13วันชาวบ้านแถวนั้นต่างก็บอกว่าคงไม่รอดราะที่ตรงนั้นมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บ, บ่อยๆและคนที่ประสบอุบัติเหตุก็มักจะเสียชีวิตเพราะเจ้าที่ที่อยู่ตรงข้ามก้ามปูข้างถนนอยู่ตรงต้นข้ามปูข้างถนนตรงนั้นแรง แต่พ่อบ้านก็รอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่หลังจากฟื้นแล้วพ่อบ้านก็จะมีอาการหลงหลงลืมลืมพ่อบ้านชอบช่วยงานสาธารณประโยชน์ชอบช่วยเป็นพิธีกรในงานวัดหลังจากที่เราได้ชวนพ่อบ้านเข้าวัดพระธรรมกายแล้วเขาก็มีความซาบซึ้งในการสร้างบุญบา ร, รมีและก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยมาก เมื่อใดได้ยินเสียงบูชาพระตาเดินอยู่ก็จะนั่งคุกเข่ากับพื้นแล้วก็กราบไปกับพื้นโดยไม่สนใจว่าพื้นตรงนั้นจะสะอาดหรือไม่แล้วเมื่ อ, อยุ่ิได้ห้ปีพอบ้านกลาออกจากพระราชการและได้มาบวชพระธรรมทายาทลุนกับภาษาปีส5 4 7าีและได้อยู่ที่วัดสาขาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ตามที่คุณครูแม่ใหญ่บอกว่ากเกษียณแล้วต้องมาบวชเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ลูกสาวคนโตของลูกตั้งแต่เล็กๆก็เป็นเด็กดีสดใสร่าเริงแต่พอเขาโตเป็นวัยรุ่นขณะเรียนอยู่ม .3 ลูกก็สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกสาวคนนี้คือเมื่อมีเพื่อนบุชายเรื่อราวคราวเดียวกันมาจีบ เขาไม่สนใจแต่กลับไปเที่ยวจีเพื่อนผู้หญิงของเขาเองแต่ ก, กนัดแอบไปเที่ยวแล้วกันหนีไปนอนบ้านผู้หญิงแถมยังแอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อีกด้วยในช่วงนั้นลูกกลุ้มใจมากเพื่อนบ้านที่รู้จักกันก็แ น, นะนำให้ลูกไปหาร่างทรงร่างทรงที่ไหนว่าแกงลูกไปมาหมด แต่ก็นั้นลูกสาวของโลกก็ยังไม่ดีขึ้นยังซ่ายังแกเรแล้วทำตัวเป็นผู้ชายเหมือนเดิมลูกรู้สึกกลุ้มใจครั้งหนึ่งลูกสาวคนโตได้ดื่มเหล้ากับหลานชายของลูกพอดื่มเสร็จลูกสาวก็ได้นั่งซ้อนท้ายมอตอรสของหลานชายไปสิ่งกันต่อ ปรากฏว่าเมื่อรถวิ่งมาถึงทางโค้งมเอเตอร์ไซค์ได้เสียหลักแหกโค้งมาจนเสาลูกสาวของลูกขาข้างซ้ายหักทันที mm hmm. เมื่อรักษาตัวหายแล้วก็ทาให้ขายยาวนะไม่เท่ากัน mm hmm. และมีอรอยแผลเป็นที่ขาเต็มไปหมดเลย mm hmm. ลูกชายคนเล็กขณะที่ลูกตั้งท้องประมาณสองสัปดาห์ก่อนคลอดลูกก็ฝันว่า พี่สาวลูกที่ตายไปแล้วม า, าลูกที่อยู่ในท้องไปเพราะถึงวันคลอดหมอได้ใช้เวลาเจาะถุงน้ำคร่ามถึงสองชั่วโมงซึ่งปกติจะใช้เวลาเพียงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอลูกชายออกมาตัวก็เขียวไปหมดเพราะขาดอากาศหายใจตั้งแต่อยู่ในท้องอีกทั้งยังมีสายสะดือพันคออยู่ถึงสองรอบ ถูกรัดคอตั้ง่อยู่ในท้องลูกก็คิดว่าลูกชายคงไม่รอดแน่อรอดัหยรอดเ่อพอบางลูกรู้จึงได้รีบไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยทูบเทียนไป บ, บนพระประธานที่อยู่หน้าโรงพยาบาลลูกชายนอนอยู่ในห้องไ c ซีถึง14วันแล้วก็รอดมาได้ทุกปีมาถึงวันล้ายล่บเกิดลูกชายจะต้องเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียน ไปไหว้พระประธานที่หน้าโรงพยาบาลนี้เป็นประจําทุกปีมีอยู่ปีหนึ่งผ่านเป็นคล้ายบังเกิดไม่ได้สองวันแต่ลูกยังไม่ได้ไปไหว้ลูกชายก็เกิดอาการชักหอบหายใจไม่ออกพอพาไปโรงพยาบาลหมอตรวจก็ไม่พบสาเหตุลูกจึงได้เอาดอกไม้ถูกเทียไปไหว้พระที่หน้าโรงพยาบาลลอาการของลูกชายก็ดีขึ้น หลังจากที่ลูกชายเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้มาช่วยงานเป็นอาสาสมัครเขานั่งสมาธิเห็นองค์พระและตั้งใจถือศีลแปดทุกวันในช่วงที่เปิดโรงเรียนอนุบาลใหม่ๆหลังจากเลิกเรียนเขาจะนั่งรถเมย์มาฟังครูไม่ใหญ่จนจบโอ้เหมือนคล้ายๆ ค, ครูไม้ใหญ่นั่งรถเมย์ไปหาคุณยายเลยเนี่กลับถึงบ้านเที่ยงคืนทุกวันโอ้คลายกันเลย หลาคนรุม่ใหญ่เรียนหนังสือนี่กลับถึงสถาบันก็สี่ห้าทุ่มจะลูกเป็นห่วงสุขภาพและการเรียนของเขาจึงห้ามเขาแต่เขาก็มีศรัทธาและอยากฟังธรรมมากโลกจึงตามใจเขาเมื่อเขาเรียนจบชั้นม ม, มัธยมศึกษาปีที่หเขาก็ตัดสินใจเข้าอบรมธรมรมทรายาภาคฤดูร้อน รุ่นสินเในช่วงอบรมอยู่ได้มีผลเอ็นทรานออกมาปรากฏว่าลูกชายสอบติดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ออกไปเรียนต่อภายนอกแต่ตั้งใจบวชสร้างบารมีฝึือศึกษาวิชาธรรมกายกับคุณคณรูไม่ใหญ่จูจนถึงทุกวันนี้นี่คนมีบุญนี่นะ ไม่ต้องเอาช้างไปชุดเรามาเองน้องชายลูกป่วยเป็นโรคมะเร็งตับทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นประจำเพียงแต่ดื่มนิดหน่อยเมื่อเข้าสังคมน้องชายนไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเป็นมะเร็งมารู้กัตอนที่มีอาการปวดท้องรุนแรงมากไม่ได้เข้าตรวจในโรงพยาบาลยิงทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย น้องชายตัดสินใจให้หมอผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วเขาก็มีอาการสึดลงจนกระทั่งทนแต่ความเจ็บปวดไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดด้วยอายุ50ปีเห็นัหมเจ้าว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเลยหลานชายปกติแล้วมีอุปนิสัยที่ดีมากเรียนหนังสือเกง่งเล่นกีฬาเกง่งจะได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ต่อมาเขาเคบเพื่อนไม่ดีช่วยเงนไปสุโขทัีเสพยาบ้าและยาเสพติดตึงดืงด่นอีกหลายชนิดเมื่อพ่อกับแม่ของเขารู้จึงขอร้องให้เขาเลิกยาด้วยความที่หลานชายมีเชื้อดีอยู่แล้วเขาจึงได้พยายามหักดิบเลิกยาแต่ด้วยฤทธิ์ของยาจึงทําให้เขาประสาทเสียกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายต้องกินยาระงับประสาทอยู่เสมอ และทางบ้านก็ได้ส่งให้เขาไปบวชในช่วงที่บวชบางครั้งก็จ ะ, สะแสดงการหวาดกลัวและร้องว่าจะมีคนมาฆ่าในที่สุดเขาจึงต้องลาศิขาออกมาอยู่ที่บ้านผ่านไปห้าหปีหลานชายมีอาการดีขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านเขาได้ลุกไปหลังบ้านแต่คนต่างกั น, นึกว่าเขาคงไปเข้าห้องน้า แต่ว่าเขาหายเข้าไปตั้งนานจึงตามเข้าไปดูสิ่งที่ทุกคนเห็นคือล้านชายผูกคอตายยที่คือหลังบ้านเขาเสียชีวิตขณะอายุเพียง25้าปีวิบากกำไลที่ทำให้พอบ้านคำถามเลยจ้ะวิบากกำไดที่ทำให้พอบ้านเกิดมาแล้วแม่ก็เสียชีวิตไม่มีน้ำนมดื่มจนต้องไปขอดื่มน้ำนมจากชาวบ้านคะ วิบากรรมใดที่ทำให้พ่อบ้านประสบอุบัติเหตุรถชนกันพผ่านักเรียนข้ามถนนแต่รอดมาได้ด้วยบุญอะไรและเมื่ออายุสิปียังต้องตกต้นมะขามศีรษะแตกไม่ได้เย็บจนเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่การที่ปัจจุบันพ่อบ้านเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเป็นเพราะผลกรรมจากอุบัติเหตุทั้งสองครั้งหรือเพราะกรรมอื่น จะแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมาพ่อบ้านยังได้บวชเป็นสา ม, มนเณนรตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งันลาศิกขาแต่ได้กลับมาบวชอีกครั้งเมื่ อ, อยุมากแล้วท่านอธิษฐานว่าชาติต่อไปขอยได้บวชตั้งแต่เด็กไปจนตลอดชีวิตมาคิดได้ตอนนี้แหละทุกทีแหละท่านจะสมความปรารถนาหรือไม่คะตอนยังแข็งแรง ก็ไม่คิดอย่างนี้แหมครูไม่ใหญ่เราเบืออจริงแต่เป็นสามเณรจะบวชอยู่กับหลวงพ่อจนกว่าชีวิตจะหาใหม่โอ้ยครูไม่ใหญ่ก็อ l e r t สินึกก็จริงแหมที่อยู่ก็จะขอเป็นกองเสบียงตลอดชีวิตคือจะเห็นใครศึกแล้วว่า ม, มันห ง, งุดหงิดจริง ตอเด็กๆบอกก็เราจะบวชไม่สึกอยู่ๆชักเพียนไม่ไหวอมิตรพระบวชไปนี่นะต้องได้เป็นคารวาตชีวิตลำเค็นไปดูหน้าตาครหอขัดนี่หน้าบูดหน้าเบี้ยวดูท่านจะดินเสษธีโชติกาเสษธีดู มีสมบัติขนาดนั้นก็ยังออกบสช์ลูกสาวคนโตทำงานใดมาจึงประสบอุบัติเหตุจนขาหักทําไม่ขายยาไม่เท่ากันเพื่อนหญิงนะครัไปอยู่ด้วยกันทุกวันนี้เนะี่ยเคยทํากรรมอะไรร่วมกันมาคะถึงทำไมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะตายลูกสาวทาบุญอย่างไรคะจึงจะพ้นวิบากกรรมจากการเป็นทอม มิบา ก, กรรมใดทำให้สายสะดือพันคอลูกชายเขาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่ลูกฝันว่าพิสาคนที่ตายจะมาเอาตัวไปในมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่คะและที่ลูกชายรอดมาได้เกี่ยวกับการที่พ่อ บ, บ้านยกลูกชายให้เป็นลูกพระประธานหน้าโรงพยาบาลหรือไม่คะถ้าเกี่ยวมีการช่วยอย่างไรคะลูกชายเกิดอาการชักหายใจไม่ออก เป็เพราะทำผิดสัญญาไม่ไปไหว้พระประธานในวันคล้ายวันเกิดหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดคะสมัญลูกชายตั้งใจที่จะทําวิชาปราบมารและบวชจนตลอดชีวิตในชาตินี้จะสมความปรารถนาหรือไม่คะแล้วที่อธิษฐานจิตว่าจะทําวิชาและบวชตลอดชีวิตบ่อยๆจะมีผลต่อภพชาติต่อไปของเขามาั้งเนาอย่างไรคะต้องอธิษฐานจิตทุกวันจนตลอดชีวิตนั่นแหละ จึงจะบวชได้จนตลอดชีวิตบวชไปปฏิฐานไปบวชไปปฏิฐานไปทีละวันทีละวันจนตลอดชีวิตเลยอย่างนี้แหละถึงจะสมบัตินัและจะบวชได้ตลอดชีวิตด้วยต้องชายรู้ทำวิบาิกรรมอะไรมาจึงเป็นเริ่มะเร็งในตับก่อนตาคตินิมิตเป็นอย่างไรคะตายแล้วไปอยู่ไหนแม้บางคนเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นะยังอยากรู้เลย เมื่อยาต่ตายตายแล้วไปไหนมีอยู่บันหนึ่งที่บ้านหลังเล็กบ้านกรระะมิตหมายเลขหนึ่งที่วัดปัก้ําครูไมใ่ใหญ่นั่งอยู่กับคุณยายอาจารย์ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งศรีรษะท่านเถิกเถิกนะตัวทุมทุมขึ้นมานั่งนหน้า ยกมื่อว่าปัญญาเสร็จก็เรียกเรียกว่าไงจําไม่ได้นะขึ้นไททันผมไม่เชื่อแล้วโลกสวรรค์มีจริง<อ>ผมเชื่อว่าตายแล้วศูนแต่ผมอยากให้ไม่เจ้าเรียกปัญญาเหมือนไงสมบูรณ์ปัญาเนะ ช, ช่วยดูพ่อแม่ผมตายแล้วอยู่ไหนผมทําบุญแล้วจะอบุญนิอุทิศไปให้ <c oughs> เออ <c oughs> มันน่าเนาะมันน่า น่าอะไรก็ไม่ทราบขึ้นไตเติ้ลมันไม่เชื่อนี่แต่ก็อย่างเงี้ ย, ยกุญยาท่านก็ไม่หว่าอะไรท่านก็รับแบนดโนโมธนามาเพราะว่าไปทำ บ, บุญเลี้ยงพระทิวัดปักน้ำท่ารับตาแล้วก็บอกว่าเออเอาบุญไปให้แม่คุณพ่อคุณละที่ตายไปตายไปอยู่ที่ไหนละ่ะท่านก็นบอก อยู่ชั้นนั้นชั้นนี้หรือตรงนั้นตรงนี้คุณผู้ใหญ่นั่งฟังโดยเพราะนั่งพิงเสาอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังเป็นนักศึกษาอยู่นั่งฟังเขาสรุปจนสุดท้ายแต่ถึงอย่างไรผมก็ไม่เชื่อมีโลกสวรรค์ไม่มันน่านะน้าน้าให้ไปรวยจริงๆเลยเอาถึงไหนเลยน้องชายลูกทำบิบากกันปไปเลยมาจึงเป็นโลกมะเร็งในตับ การตายกตินี้ไม่เป็นอย่างไรคะตายแล้วไปอยู่ไหนลูกเดสร้างองค์พระให้เขาฤทธทิดบุญทุกบุญไปให้เขาได้รับหรือไม่คะและมีอะไรฝากบอกภรรยาของเขาบ้างไหมคะเห็น ไ, ไหมจ๊ะบางทีรักกันมากขณะเป็นสามีภรรยากันอยากจะสื่อสาร อ, อ, อ, อ, อึดอัดก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงแต่พอพูดตายจะมาสื่อสารบ้างก็ ก, กลัวเสียอีกแล้วจะลงยาเอายังไงเนี่ย สเสมอ่าผู้ตายเนี่รักภรรยามากแต่กลัวภรรยากลัวยื่นแต่นิ้วมือไม่ใหเห็นกลับยื่นหน้าไม่ให้เห็นเห็นบางส่วนกัเห็นหนึตัวเนี่ยกลัวเหมือนกันไหมสเสมอว่ายื่นมือก็ไปในมุงนี่นะแล้วบอกดาริ่งนี่เธอจําเมืองฉันได้ไหมเนี่ยฉันเองฉันเองแต่ฉันไม่อยากให้เธอเห็นหน้าหรอกพูดเปลา ะ, ะขนาดนี้กลัวไหม ก, ก็ยังกลัวอยู่ดี แต่ก็เป็นความทุกข์ะทมสำหรับผู้มีชีวิตยอยู่ที่สื่อสารไม่ได้เนี่ยอยากรู้เนี่ยถึงฝากถามว่ามีอะไรฝากบอกภรรยาเขาบ้างไหมคะนี่ไม่จ๊ะถามแทนมีบากกรรมใดทำให้หลานชายซึ่งเรียนเก่งแต่ต้องมาเจอคนพานติยาเสจติดละกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายเอาไหมไม่เอาคุ้มดีคุ้มรายก็เ <ản> รยีรยกว่าคุ้มขลังอย่างนี้คุ้มเกินคุ้ม จนต้องผูกคอตายนิสที่สุดตายแล้วไปอยู่ไหนอะได้รับบุญเทวติไปให้หรือไม่อยากทราบอีกกรรมนี้จะติดไปในภพชาติต่อไปหรือไม่นู่นอยากทราบต่อไปนู่นีิเขามีอะไรฝากมาถึงแม่เขาหรือเปล่าคะอยากทราบต่ออีกนี่มนุษย์นี่มันอยากรู้ไปหมดแปลกดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องราความเป็นจริ ง, งชีวิตทุกคนในโลกอยากรู้ทั้งนั้นแม้ว่าจะอยู่ในความเชื่อว่าตายแล้วไปสวรรค์เป็นนิรันดร์ก็อยากรู้นั่นตัวลูกอดีตพ่อบ้านลูกสาวทั้งสองและสำเนลูกชายเคยสร้างบารมีกมับโหมขนะอย่างไรคะแต่ละคนมีผลการปฏิบัติธรรมในชาติผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้พ่อบ้านและสามเนลูกชายมาบวชสร้างบารมีอยู่กับคนครูไม่ใหญ่แล้วและปัจจุบันตัวลูกอยู่กับลูกสาวคนที่สองเพียงสองคนและทีนี้ลูกสาวก็ตั้งใจว่าเมืลเล่อเรียนจบแล้วจะเข้ามาช่วยงานที่วัดเขาจะมีบุญพอไหมคะผมเดินเขาเป็นอย่างไรไนี่ลูกแลือแม่ถามเดจํา <laughs> จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจะ๊ะจได้ หลับตาฟันเป็นตูมินตาเตินขึ้นมาเทาหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่ายฟังเป็นนิยายปา ร, รามรากันจ้ะอดีตพ่อบ้านเกิดมาไม่มีน้ำนมดื่มต้องไปข อ, อน้ำนมชาวบ้านมาดื่มเพราะกำเ น, นอดีชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาครั้งหนึ่งได้เคยไปยิงกวางแม่ลูกอ่อนตาย จนทำให้ลูกกวางต้องอาศัยนมแม่กวางตัวอื่นกินวิบากกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจ้ะเห็นไหมจ้าบางคนคิดว่าเอ๊ะสัตว์มันไม่น่าจะมีผลอะไรเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ได้เป็นอาหารของมนุษย์คือมนุษย์คิดเอาเองมันโมเมมจะกินทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมจ้าเป็นอย่างเนี้ย แต่ในคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยกวางนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในภูมิของอบายนันลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นหนึ่งอย่ในนั้นก็เป็นอดีตมนุษย์นั่นแหละที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนทําวิบากกรรมแล้วก็ทำกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมอย่างนี้อดีตพ่อบ้านประสบอุบัติเหตุรถชนขณะพา น, นักเรียนข้ามถนนพระ กรรมการล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาดังกล่าวในชาตินั้นเช่นบางคลังได้ขุดลุมพลางดักสัตว์เมื่อสัตว์ตกลงมาก็เอาหินทุ่มจนมันตายจ้ะอิบา ก, กรรมนี้ได้มาส่งผลให้เกิดปฏัติเหตุรถชนดังกล่าวขราบมาได้เพราะบุญบวดทั้งในอดีตและปัจจุบันได้เคยบวชเป็นสัมมเนน มาช่วยไว้จ้ะตอนอายุสิบขวบตกต้นมะขามศีษะแตกไม่ได้เย็บจนเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่เพระาะการาสัตว์เป็นเกมกีฬาดังกล่าวที่ทำหลายหลายครั้งนะมาส่งผลจ้าอดีตพ่อบ้านเป็นคนขี้หลงขี้ลืมพระเศษกรรมบานอธิบายในครั้งนั้นผสมกสับเศษกรรมดื่มสุรามาส่งผลจ้า จะแก้ไขก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่จนตลอดชีวิตก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้จ้าอดีตพ่อบ้านได้บวชเป็นสามนเณรตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ลาศิกขาต่อมาได้ครองเรือนและภายหลังได้กลับมาบวชเป็นพระเมื่อตอนอายุมากแล้วเพราะมีบุญบวชในอดีตบางชาติก็บวชสั้น บางชาติก็บวชยาวโดวยเฉพาะในพุทธนดอนที่ผ่านมาเมื่ออิ่มตัวจากชีวิตของการครองเรื อ, <c oughs> อ, อ, อ น, น, มมกกนแล้วก็ได้ออกบวชตอนอายุมากกระหมูคณะจ้ะและก็ได้อธิษฐานว่าสาธุชาติต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยและได้บวชจนตลอดชีวิตนั้น ควาปรารถนาจะสมหวังได้ก็ต่อเมื่อตั้งใจแน่ว แ, แน่อย่างจริงจังจ้าอธิษฐานชาตินี้นะไม่ใช่ชาตินั้นนะแต่บางชาติได้บวชตั้งแต่เด็กเดี๋ยนี้บางชาติแหะแต่เมื่อกี้นี้อธิษฐานชาตินี้ได้อธิษฐานว่านะบางชาติได้บวชตั้งแต่เด็กเมื่อบวชแล้วชาตินั้นก็อธิษฐานว่าชาตินั้นนะขอให้มีประสบการณ์ทางโลกก่อนแล้วค่อยบวชมักจะรอเลยกลับไปกลับมาอย่างนี้เสมอจ้า พอบวชตอนหนึ่งเด็กก็อยากจะไปมีประสบการณ์จากทางโลกแต่ก็ยังรักเพศสามะัะแต่ขอให้ประสบการณ์ทางโลกก่อนอยากสนุกก่อนแล้วก็จะกลับมาบวชใหม่แต่พอบวชตอนแก่ก็สาธุชาติต่อไปให้ได้บทอย่างเยาวมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้อมิตะพระเป็นอีหยังว่าดีลูกสาวคนโตนนประสบปุัติเหตุจนขาหักเป็นเหตุให้ขายยาไม่เท่ากัน รักกรรมในอดีตในชาติเต็มไปผู้ชายได้ดื่มโซราแล้วก็ทะเลาะวิวาสกับขี้เมาคนละวงจนเขาบาดเจ็บกับอีกชาติอีกกรำหนึ่งที่แกล้งตีสุ น, นัขจนมาขากับเพลกที่ท่อนไม้ตอนที่เมามาสองกรรมนี้มารวมส่งผลจ้าให้ลูกสาวเป็นทอมได้อยู่กับเพื่อนหญิงในปัจจุบันเพราะ วิบากรรมกาเมในหลายๆชาติมารวมส่งผลแต่เฉพาะในชาติที่เป็นผู้ชายเนะ่ยเจ้าชู้มากกว่าผู้หญิงมากกว่าชาติที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยจึงมาเป็นทอมจ้ากับเพื่อนหญิงคนนี้ในชาติที่ลูกสาวเป็นผู้ชายกับเพื่อนหญิงคนนี้ในชาติที่ลูกสาวของลูกเนะี่ยเป็นผู้ชา ย, ยก็ได้เป็นสามีของเพื่อนหญิงคนนี้จ้าอดีตภริยาเก่า หมายที่ลูกสาเป็นผู้ชายจะพ้นจากวิบากกรรมที่ทําให้เป็นธรรมได้ต้องพิจารณาเห็นโทษภัยในชีวิตที่เป็นธรรมและเกิดความเบื่อนายอย่างสุดขีดไม่ใช่เบื่อเบื่อยากๆแล้วทําทานรักษาสินแปดเจริญภาวนายอย่างจริงจังเรติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จนตลอดชีวิตก็มีสิทธิพ้นได้จ้ะสายสะดือพันคอลูกชายคนเล็กจนเกือบตายพระ พุทธันดอนที่ผ่านมาเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทรมานข้าศึกไว้นี่ทำไมเก่งจังเลยทั้งเก่งและดีะพุทธันดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบทับจับข้าศึกได้กับทรมานเพื่อรีดข่าวโดยวิธีการต่างๆ วิบากกรรมนี้มาส่งผลจะนั่นแหละทอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนี้ ล, ลูกชายรอดไม่ได้เพราะได้บุญที่ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมาช่วยเอาไวจ้จาตอนออกบวชก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เก่าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ธรรมชาลูกชายเกิอดอาการชักจนหายใจแทบไม่ออกเพราะ การตำละมานข้าศึกดังกล่าวนิชาตินั่นแหละมาส่งผลเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการฝันที่ปีศาจเอาตัวไปและไม่เกี่ยวกับพระประธานหน้าโรงพยาบาลเจ้าถ้าสามเณรไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตในเพศสมณะ<ๆ>ก็จะทําให้ผังบวชหนานเน่ยอีกทั้งความปรารถนาที่จะทําวิชาปราบมาร ก, ก็จะสําเร็จเพราะแนอดีก็เคยทําวิชาปราบมารมาอยู่แล้วเจ้า ยิ่งอธิษฐานจิตบ่อยๆผังนี้ก็จะยิ่งหนาแ น, น่นยิ่งขึ้นจ้าน้องชายเป็นมะเร็งในตับเพราะกรรมสุราและกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้วทรอาหารนอดีตามมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภุมเทวาแห่งหนึ่งมีความสุขสบายดีด้วยบุญที่ทำอุทิพไปให้จ้าได้ฝากบอกภรรยาว่า อันนี้เป็นผมมาตีวานแล้วนะ ใ, ให้ทุกคนในคะรอบครัวมาร่วมสร้างบุญกับพี่สาวให้มากๆเพราะตอนนี้เขาได้เข้าใจ เ, าเรื่องบุญมากขึ้นแล้วจ้าหล้านชายเรียนเก่งแต่ตมาคบคนพ่านจนติดยาเสพติดแล้วกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายสุดท้ายกับผูกคอตายเพราะการรมเขาคนผ่านทั้งแนวดีและปัจจบุบันมาร่วมส่งผล เพราะการครบคมพานทำให้ไปดื่มสุราและยาเสพติดแต่มีบุญออเรื่องการศึกษามาส่งผลในช่วงแรกจึงเรียนเก่งจ้าตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของหัวหน้าภุมะเทวานิบาบบ้านภุมะเทวาแห่งหนึ่งได้บุเท่อุทิ์ไปให้จึงไม่ได้ไปอบาบยภูมิจ้ากรรมนี้ก็จะเป็นผังคบกันพาและข่าตัวตาติดเป็นภพ บ, บืงหน้าจา้ตอนนี้เขาอยากได้บุญใหญ่สักอย่าง แต่ค้าจะได้ไปเกิดในที่ที่ดีกว่านี้จ้าตัวโลกอดีตพ่อบ้านลูกสาวทั้งสองและสามเณรก็เคยสร้างบรมีกัมมุขณะมาโดยตัวลูกเป็นกองสเสบียงมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้อดีตพ่อบ้านบางชาติกลเป็นกองสเสบียงบางชาติกลับบวชแต่ผังบวชยังไม่หนานแน่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีลูกสาวสองก็เป็นกองเสบียงลูกสาวที่เป็นทองก็เคยพัดพรากใจหมู่คณะมานานชาตินี้อย่าประมาทนะจ๊ะอาจจะพัดพลากกันอีกแต่เฉพาะลูกสาวคนที่สองจบการศึกษาแล้วจะเข้าวัดเข้ามาอยู่วัดนั้นถ้าตั้งใจจริงก็อยู่ได้จ้าอีกทั้งเขาก็มีผลการปฏิบัติธรรมพอเอาตัวรอดที่ผ่านมากลับดุสิตบุรีได้จ้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบัลมโพธิสัตย์่าได้พลัดกันเลยจ้าทีกก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดสี้สั้นๆเลยจ้ะ